ติสสะเมตตยสุตตานิเทศอธิบายติสสะเมตตยสูตรว่าด้วยปัญหาของติสสะเมตตยะพระสารีบุตรเทระจะกล่าวอธิบายติสสะเมตตยสูตรดังต่อไปนี้49ท่านพระติสสะเมตตยะปราบทูลดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรุทุกขอพระองค์โปรดตรัสบอกความขับแข้งของบุคคล ผู้ประกอบเมถุนธรรมหนึ่งเนืองพวกข้าพระองค์ฟังคําสอนของพระองค์แล้วจากศึกษาวิเวกว่าด้วยเมถุนธรรมคําว่าของบุคคลผู้ประกอบเมถุนธรรมหนึ่งเนืองอธิบายว่าธรรมเนียมของอสัตว์ปุรดคือธรรมเนียมของชาวบ้านธรรมเนียมชั้นต่ำธรรมเนียมที่เลวทรามธรรมเนียมที่มีน้ําเป็นที่สุดธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันในที่ลับ ทมเนียมที่ต้องปฏิบัติกันเป็นคู่คู่ชื่อว่าเมทุนธรรมเพราะเหตุไรจึงตรัดเรียกว่าเมถุนธรรมเพราะธรรมนั้นเป็นธรรมเนียมของคนคู่ผู้กำหนัดกำหนัดนักเปียกชุ่มกลัดกลุ้มด้วยราคะถูกราคะครอบงำจิตเสมอกันทั้งสองคนเพราะเหตุนั้นจึงตรัสเรียกว่าเมทุนธรรมคนสองคนก่อการทะเลาะกันเรียกว่าคู่ทะเลาะ คนสองคนก่อการบาดหมางกันเรียกว่าคู่บาดหมางคนสองคนก่อการอื้อเช้ากันเรียกว่าคู่อื้อเช้าคนสองคนก่อการวิวาทกันเรียกว่าค네ู่วิวาทคนสองคนก่ออธิกรกันเรียกว่าคู่อธิกรคนสองคนสนทนากันเรียกว่าคู่สนทนา คนสองคนเจรจากันเรียกว่าคู่เจรจาฉันใดธรรมนั้นเป็นธรรมเนียมของคนคู่ผู้กำหนัดกำหนัดนักเปียกชุ่มกลัดกลุ่มด้วยราคะถูกราคะครอบงำจิตเสมอกันทั้งสองคนฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นจึงตรัสเรียกว่าเมถุนธรรมคำว่าของบุคคลผู้ประกอบเมทุนธรรมหนึ่งๆได้แก่ของบุคคลผู้ประกอบ ประกอบทั่วประกอบทั่วถึงประกอบพร้อมในเมถุนธรรมคือผู้ประพฤติเรื่องนั้นมากไปด้วยเรื่องนั้นหนักในเรื่องนั้นเองไปในเรื่องนั้นโอนไปในเรื่องนั้นโน้มไปในเรื่องนั้นน้อมใจไปในเรื่องนั้นมู่เรื่องนั้นเป็นใหญ่รวมความว่าของบุคคลผู้ประกอบเมถุนธรรมหนึ่งๆคาว่าดังนี้ในคําว่า ท่านพระติสะเนเตัยยะกราบทูลดังนี้เป็นบทสนทิเป็นคำเชื่อมบทเป็นคำที่ทาบทให้บริบูรณ์เป็นความสัมพันธ์แห่งอักษรเป็นความสละสลวยแห่งพยัญชนะคาว่าดังนี้นี้เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันคำว่าท่านเป็นคำกล่าวด้วยความรักเป็นคำกล่าวด้วยความเคารพเป็นคากล่าวที่มีความเคารพ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 การขนานนามการบัญญัติชื่อที่เรียกกันรวมความว่าท่านพระติชะเมตยะกราบทูลดังนี้คําว่าความคับแค้นในคําว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ขอพระองค์โปรดตรัสบอกความคับแค้นอธิบายว่าขอพระองค์โปรดตรัสคือโปรดบอกแสดงบัญญัติกําหนดเปิดเผยจําแนกทําให้ง่าย ประกาศความขับแค้น <BE> คือความเครียดแค้นความบีบคั้นความอึดอัดความเบียดเบียนความขัดข้องคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เป็นคํากล่าวด้วยความรักเป็นคํากล่าวด้วยความเคารพเป็นคํากล่าวที่มีความเคารพคําว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์นี้เป็นคํากล่าวแสดงความยำเกรงรวมความว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุก์ ขอพระองค์โปรดตรัสบอกความคับแขนคราว่าฟังคำสั่งสอนของพระองค์แล้วอธิบายว่าฟังแล้วคือสะดับแล้วเรียนแล้วทรงจำแล้วกำหนดแล้วซึ่งพระดำรัดคำที่เป็นแนวทางเทศนาคำสั่งสอนคำพร่มสอนของพระองค์รวมความว่าฟังคำสั่งสอนของพระองค์แล้วว่าด้วยวิเวกสาม คำว่าพวกค่าพระองค์จากศึกษาวิเวกอธิบายว่าคำว่าวิเวกได้แย่วิเวกสามอย่างคือหนึ่งกายวิเวกความสังกัดกายสองจิตตวิเวกความสังกัดใจสอุปธิวิเวกความสงัดอุปธิกายวิเวกเป็นอย่างไรเพื่อพิสูจในธรรมวิในนี้ย่อมใช้สอยเสนาสะนะที่สงัด คือป่าโคนต้นไม้ภูเขาซอกเขาช่องเขาสุสานป่าดงดิบกลางแจ้งลอมฟางและมีกายสงัดอยู่เคอเดินรูปเดียวยืนรูปเดียวนั่งรูปเดียวนอนรูปเดียวเข้าหมู่บ้านบิณฑบาตรรูปเดียวกลับรูปเดียวนั่งในที่ลับรูปเดียวอธิษฐานจงกรมรูปเดียวเที่ยวไปอยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิต ดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปลำพังรูปเดียวนี้ชื่อว่ากายวิเวกจิตวิเวกเป็นอย่างไรคือผู้บรรลุปฐมฌานย่อมมีจิตสงัดจากนิวรณ์ผู้บรรลุทุติยฌานย่อมมีจิตสงัดจากวิตกและวิจารณผู้บรรลุตติยฌานย่อมมีจิตสงัดจากปีติผู้บรรลุจตุทัชฌานย่อมมีจิตสงัดจากสุขและทุกข์ ผู้บรรลุอากาสานัญจาตนาสมาบัติย่อมมีจิตสังกัดจากรูปสัญญาปฏิฆาสัญญานาณาตสัญญาผู้บรรลุวิญญาณัญญาตนาสมาบัติย่อมมีจิตสงัดจากอากาสานัญญาตนาสัญญาผู้บรรลุอากินัญญาตนาสมาบัติย่อมมีจิตสงัดจากวิญญาณัญจายตนาสัญญาผู้บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนาสมาบัติ ย่อมมีจิตสงัดจากอากินจัญญายตนะสัญญาผู้เป็นพระโสดาบันย่อมมีจิตสงัดจากสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศิลปะปรามาตทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและเหล่ากิเลส ท, ที่อยู่ในพวกเดียวกับสักกายทิฏฐิเป็นต้นนั้นผู้เป็นพระสกะทาคามีย่อมมีจิตสงัดจากกามราคะสังโยชตปัตถะสังโยชตอย่างหยาบ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 ผู้เป็นพระอาหารหันต์ย่อมมีจิตสงัดจากรูปปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะอวิชามานานุสัยภวะราคานุสัยอวิชานุสัยเหล่ากิเลส ท, ที่อยู่ในพวกเดียวกับรูปปราคะเป็นต้นนั้นและสังขารนิมิตทั้งปวงในภายนอกนี้ชื่อว่าจิตตวิเวกอุปธิวิเวกเป็นอย่างไรเครือกิเลสก็ดีขันธ์ก็ดี อาภิสังขารก็ดีตรัสเรียกว่าอุปธิอามาตะนิพพานตรัสเรียกว่าอุปธิวิเวกคือทำเป็นที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่คลายอำนัดเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทนี้ชื่อว่าอุปธิวิเวกกายวิเวกย่อมมีแก่บุคคลผู้มีกายหลีก อ, ออกแล้วยินดีในเนคขัมะ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 ทูลขอพระธรรมเทศนาจึงกราบทูลอย่างนี้ว่าพวกข้าพระองค์จักศึกษาวิเวกด้วยเหตุนั้นพระติสสะเมตยเถระจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ขอพระองค์โปรดตรัสบอกความคับแค้นของบุคคลผู้ประกอบเมถุนธรรมหนึ่งเนืองพวกข้าพระองค์ฟังคําสอนของพระองค์แล้วจักศึกษาวิเวก พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามเมตติยะคำสั่งสอนของบุคคลผู้ประกอบเมถุนธรรมหนึ่งๆย่อมเลอะเลือนและบุคคลนั้นย่อมปฏิบัติผิดการปฏิบัตินี้เป็นธรรมไม่ประเสริฐในบุคคลนั้นคำว่าของบุคคลผู้ประกอบเมถุนธรรมหนึ่งๆอธิบายว่าทำรรเนียมของอสัตบุรุษคพื่อทำรรเนียมของชาวบ้านทำรรเนียมชั้นต่ำ ทำนียมที่เลวทรามทำเนียมที่มีน้ำเป็นที่สุดทำเนียมที่ปฏิบัติกันในที่ลับทำเนียมที่ต้องปฏิบัติกันเป็นคู่คู่ชื่อว่าเมถุนธรรมเพราะเหตุไรจึงตราสเรียกว่าเมถุนธรรมเพราะธรรมนั้นเป็นทำเนียมของคนคู่ผู้กำหนัดกำหนัดนักเสียกชุ่มกลัดกลุ้มด้วยราคะถูกราคะครอบงำจิตเสมอกันทั้งสองคน เพราะเหตุน si, ั also, <S <S ies, <ens>. ้นจึงตรัดเรียกว่าเมถุนธรรมคนสองคนก่อการทะเลาะกันเรียกว่าคู่ทะเลาะคนสองคนก่อการบาดหมางกันเรียกว่าคู่บาดหมางคนสองคนก่อการอื้อแาวกันเรียกว่าคู่อื้อแฉวคนสองคนก่อการวิวาทกันเรียกว่าคู่วิวาทคนสองคนก่ออธิกรณ์กันเรียกว่าคู่อธิกรณ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 ของบุคคลผู้ประกอบเมถุนธรรมหนึ่งหนึ่งอธิบายคำว่าพ ah ักวาคำว่าเมตยยะเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียอพระเถระนั้นโดยโคดคำว่าพระผู้มีพระภาคเป็นคำกล่าวโดวยความเคารพอีกในหนึ่งชื่อว่าพระผู้มีพระภาคพระทรงทำลายราคะได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาค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 พระผู้มีพระภาคทรงใช้สอยเสยนาสนะที่เป็นป่าละมาะและป่าทึบอันสงดมีเสียงน้อยมีเสียงอึกะทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทำการรับของมนุษย์สมควรเป็นที่เหลีกเร้นจึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคอีกนายหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงมีส่วนแห่งจีวรบิณทบาต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 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมตัยยะว่าด้วยคำสอนสองส่วนคำว่าคำสั่งสอนย่อมเลอะเลือนได้แก่คำสั่งสอนเลอะเลือนโดยส่วนทั้งสองคือหนึ่งคำสั่งสอนส่วนปริยัตเลอะเลือน 2. คํคำสั่งสอนส่วนปฏิบัติเลอะเลือนคำสั่งสอนส่วนปริยัตเป็นอย่างไรคือคำสั่งสอนที่เล่าเรียนของเขา คือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติอุตะกะชาตะกะอภูตรธรรมเวทันละนี้ชื่อว่าคำสั่งสอนส่วนปริยัติคำสั่งสอนนั้นย่อมเลอะเลือนคือย่อมฟั่นเฟือนหลงลืมเลือนหายห่างหายรวมความว่าคำสั่งสอนย่อมเลอะเลือนอย่างนี้บ้างคำสั่งสอนส่วนปฏิบัติเป็นอย่างไร คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติเหมาะสมการปฏิบัติที่ไม่เป็นฆ่าสึกการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์การปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักธรรมการรักษาศีลให้บริบูรณ์ความเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารความเป็นผู้มีความเพียรเครื่องเตอมอยู่เสมอสติสัมปชัญญะสติปฐานสี่ จำ ม, มะประธานสี่อิทิบาสีอินรี่ห้าพละห้าผู้ชมเจ็ดอริยมรรมิองค์แปดนชื่อว่าคำสั่งสอนส่วนปฏิบัติคำสั่งสอนนั้นย่อมเลอะเลือนคือย่อมฟั่นเฟือนหลงลืมเลือนหายห่างหายรวมความว่าคำสั่งสอนย่อมเลอะเลือนอย่างนี้บ้างคำว่าบุคคลนั้นย่อมปฏิบัติผิดอธิบายว่า บุคคลนั้นฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างตัดช่องย่องเบาบ้างขโมยยกเขาบ้างปล้นบ้านบ้างดักที่ในทางเปลี่ยวบ้างละเมิดพัญญาของผู้อื่นบ้างพูดเท็จบ้างรวมความว่าบุคคลนั้นย่อมปฏิบัติผิดคำว่าการปฏิบัตินี้เป็นธรรมไม่ประเสริฐในบุคคลนั้นอธิบายว่าการปฏิบัติผิดเป็นธรรมไม่ประเสริฐเป็นธรรมของคนโง่ เป็นธรรมของคนหลงเป็นธรรมของคนไม่รู้เป็นธรรมของคนมีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนในบุคคลนั้นรวมความว่าการปฏิบัตินี้เป็นธรรมไม่ประเสริฐในบุคคลนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเมตติยะคำสั่งสอนของบุคคลผู้ประกอบเมถุนธรรมหนึ่ ง, งย่อมเลอะเลือนและบุคคลนั้นย่อมปฏิบัติผิด การปฏิบัตินี้เป็นธรรมไม่ประเสริฐในบุคคลนั้นห้าิบอ็ดพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าผู้ใดในเบื้องต้นเที่ยวไปผู้เดียวแล้วต่อมาเข้าไปเสษเมถุนธรรม ผู้รู้ทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นปุตชนเลวในโลกเหมือนยานที่แล่นไปฉะนั้นว่าด้วยผู้บวชแล้วศึกคำว่าในเบื้องต้นเที่ยวไปผู้เดียวอธิบายว่าในเบื้องต้นเที่ยวไปผู้เดียวด้วยเหตุสองอย่างคือหนึ่งด้วยการบวชสองด้วยการละความคุกคลีด้วยหมูนะ่คณะในเบื้องต้นเที่ยวไปผู้เดียวด้วยการบวชเป็นอย่างไร เพื่อผู้นั้นตัดความกังวลเรื่องการครองเรือนตัดความกังวลเรื่องบทพัญญาตัดความกังวลเรื่องญาติตัดความกังวลเรื่องมิตรและอมาตะตัดความกังวลเรื่องการสะสมทั้งหมดโกนผมและหนวดแล้วนุ่งห่มผ้ากาสาวะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเข้าถึงความไม่กังวลแล้วเที่ยวไปผู้เดียวคืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไป ยังชีวิตให้ดำเนินไปผู้เดียวชื่อว่าในเบื้องต้นเที่ยวไปผู้เดียวด้วยการบวชเป็นอย่างนี้ในเบื้องต้นเที่ยวไปผู้เดียวด้วยการละความคลุกคลีด้วยหมูนะ่คณะเป็นอย่างไรเพื่อเธอเมื่อเป็นนักบวชแล้วอย่างนี้ผู้เดียวก็ใช้สอยเสยนาสนะที่เป็นป่าละเมาะและป่าทึบอันสงัดมีเสียงน้อยมีเสียงอืกทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คน ควรเป็นสถานที่ทำการรับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเร้นเธอเดินรูปเดียวยืนรูปเดียวนั่งรูปเดียวนอนรูปเดียวเข้าหมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตรูปเดียวกลับมารูปเดียวนั่งในที่ลับรูปเดียวอธิษฐานจงกรมรูปเดียวเที่ยวไปผู้เดียวคืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดาเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปผู้เดียวชื่อว่า ในเบื้องต้นเที่ยวไปผู้เดียวด้วยการและความคลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นอย่างนี้คําว่าผู้ใดเข้าไปเสดเมทุนธรรมอธิบายว่าธรรมเนียมของอสัตว์บุรุษชื่อว่าเมทุนธรรมเพราะเหตุนั้นจึงตราดเรียกว่าเมทุนธรรมคําว่าผู้ใดเข้าไปเสดเมทุนธรรมอธิบายว่าต่อมาผู้ใดบอกลาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ สิขากลับมาเป็นพระรหัสแล้วเสพเสพเป็นนิจคือซ่องเสพเสพเฉพาะซึ่งเมถุนธรรมรวมความว่าผู้ใดเข้าไปเสพเมถุนธรรมคาว่ายานในคําว่าผู้นั้นในโลกเหมือนยานที่เล่นไปฉะนั้นอธิบายว่ายานคือช้างยานคือมา้ายานคือโคยานคือแพะยานคือแกะยานคืออูด ยานคือลาที่แล่นไปคือยังไม่ได้ฝึกหัดยังไม่ได้ฝึกฝนยังไม่ได้อบรมย่อมแล่นไปผิดทางคือปีนต่อไม้บ้างก้อนหินบ้างซึ่งไม่ราบเรียบทําร้ายยานเองบ้างผู้ขับขี่บ้างตกลงไปในเหวบ้างผู้นั้นสึกแล้วเปรียบได้กับยานที่แล่นไปย่อมแล่นไปสู่ทางผิดคือถือทิฏฐิผิดถือสมาธิผิดเหมือนยานที่แล่นไปนั้น เคยที่ยังไม่ได้ฝึกหัดยังไม่ได้ฝึกฝนยังไม่ได้อบรมย่อมเล่นไปผิดทางฉะนั้นผู้นั้นสึกแล้วเปรียบได้กับยานที่เล่นไปย่อมเล่นไปสู่ไคยกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่ผิดปาณาติบาตอธินนาทานกาเมสุมิฉาจารมุสาวาตปิสุนาวาจาพระศวาจาสัมผัปปลาปะอภิชาพยาบาทมิฉาทิฏฐิ สังขารทั้งหลายกลามคุณห้านิวรห้าเหมือนยานที่เล่นไปนั้นเคยที่ยังไม่ได้ฝึกหัดยังไม่ได้ฝึกฝนยังไม่ได้อบรมย่อมปีนต่อไม้บ้างก้อนหินบ้างซึ่งไม่ราบเรียบฉะนั้นผู้นั้นสึกแล้วเปรียบได้ ก, กับยานที่เล่นไปย่อมทําลายตนในนรกย่อมทําลายตนในกําเนิดเดรชานย่อมทําลายตนในเปตะวิสัย ย่อมทำลายตนในมนุษย์โลกย่อมทำลายตนในเทวโลกเหมือนยานที่เล่นไปนั้นคือที่ยังไม่ได้ฝึกหัดยังไม่ได้ฝึกฝนยังไม่ได้อบรมย่อมทำลายยานเองบ้างผู้ขับขี่บ้างฉะนั้นผู้นั้นศึกแล้วเปรียบได้ยกับยานที่เล่นไปย่อมตกไปในเหวคือชาติบ้างเหวคือชราบ้างเหวคือพยาธิความเจ็บป่วยบ้างเหวคือมรณะบ้าง เหวคือโศกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่องครวนทุกขะความทุกข์กายโธมนัะความทุกข์ใจและอุปาญาตความคับแค้นใจบ้างเหมือนยานที่เล่นไปนั้นคือที่ยังไม่ได้ฝึกหัดยังไม่ได้ฝึกฝนยังไม่ได้อบรมย่อมตกลงไปในเหวบ้างฉะนั้นคำว่าในโลกได้แก่ในอบัยโลกมนุษสยโลกรวมความว่า ผู้นั้นในโลกเหมือนยานที่เล่นไปฉชนั้นคำว่าปุทุชนในคำว่าผู้รู้ทั้งหลายเรียกว่าเป็นปุทุชนเลวอธิบายว่าชื่อว่าปุทุชนเพราะมีความหมายว่าอย่างไรชื่อว่าปุทุชนเพราะให้กิเลสหยาบเกิดขึ้นชื่อว่าปุทุชนเพราะมีจักรยทิชีอันนานแน่นยังละไม่ได้ชื่อว่าปุทุชน เพราะปติญยาต่อนหน้าศาสดาหลายองค์ชื่อว่าปุถุชนเพราะถูกคติทุกอย่างร้อยรัดไว้มากชื่อว่าปุถุชนเพราะปรุงแต่งอภิสังขารต่างๆเป็นอันมากชื่อว่าปุถุชนเพราะถูกโอคากิเลต่างๆเป็นอันมากพัดพาไปชื่อว่าปุถุชนเพราะเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนต่างๆเป็นอันมากชื่อว่าปุถุชนเพราะถูกความเร่าร้อนต่างๆเป็นอันมากแผดเผา ชื่อว่าปุถุชนเพราะกำหนัดยินดีติดใจหมกมุ่นเกาะติดเกี่ยวพันพัวพันกามคุณห้าเป็นอันมากชื่อว่าปุถุชนเพราะถูกนิวรห้าอย่างเป็นอันมากหุ้มหอ่อโอบล้อมห้อมล้อมครอบคลุมปกคลุมบทบังคําว่าผู้รู้ทั้งหลายเรียกว่าเป็นปุถุชนเลวอธิบายว่าผู้รู้ทั้งหลายเรียกคือพูด บอกแสดงชี้แจงอย่างนี้ว่าเป็นปุถุชนเลวคือสามต่ำซา ม, ามน่ารังเกียจหยาบช้าต่ำต้อยรวมความว่าผู้รู้ทั้งหลายเรียกว่าเป็นปุถุชนเลวโดวยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าผู้ใดในเบื้องต้นเที่ยวไปผู้เดียวแล้วต่อมาเข้าไปเสดเมถุนธรรมผู้รู้ทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่า เป็นปุตุชนเลวในโลกเหมือนยานที่แล่นไปฉะนั้น 52. พระผู้มีพระภาคตรัสว่ายศเล็กเกียรติในเบื้องต้นของภิกษุนั้นเสื่อมไปภิกษุเห็นสมบัติและวิบัตินี้แล้ว พึงศึกษาเพื่อละเมธุนธรรมว่าด้วยยศและเกียรติคำว่ายศและเกียรติในเบื้องต้นของภิกษุนั้นเสื่อมไปอธิบายว่ายศเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้รับสักระเคารพนับถือบูชานอบน้อมได้จีวรบินตาบาดเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพัรบริคาร ในเบื้องต้นคือในคราวที่เป็นสมณะนี้ชื่อว่ายศเกียรต์เป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้รับการสรรเสริญเกียรติคุณว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดมีปัญญาเป็นพหูสูรไม่ถ้อยคำไพเราะมีปฏิพานดีเป็นผู้ทรงจำพระสูตรบ้างเป็นผู้ทรงจำพระวิในบ้างเป็นพระธรรมกรถึกบ้าง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 เป็นผู้ได้ทุติยชานบ้างเป็นผู้ได้ตติยชานบ้างเป็นผู้ได้จตุทชานบ้างเป็นผู้ได well ้อากาสานัญจายตนาสมาบัตบ้างเป็นผู้ได้วิญญาณัญจายตนาสมาบัตบ้างเป็นผู้ได้อากินัญญายตนาสมาบัตบ้างเป็นผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนาสมาบัตบ้างในเบื้องต้นคือในคราวที่เป็นสมณะนีิชื่อว่าเกียรติ รวมความว่ายศและเกียรติในเบื้องต้นคําว่าของภิกษุนั้นเสื่อมไปอธิบายว่าต่อมาภิกษุบอกลาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ศิกขากลับมาเป็นขรรหายศและเกียรต์นั้นของเธอย่อมเสื่อมไปคือเสียไปสิ้นไปหมดไปสูญหายสลายไปรวมความว่า ยศและเกียรติในเบื้องต้นของภิกษุนั้นเสื่อมไปคำว่านี้ในคำว่าภิกษุเห็นสมบัติและวิบัตินี้แล้วพึงศึกษาเพื่อละเมถุนธรรมอธิบายว่ายศและเกียรติในเบื้องต้นคือในคราวที่เป็นสมณนะความเสื่อมยศความเสื่อมเกียรติของเธอผู้บอกลาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ศึกขากลับมาเป็นขรหัดในเวลาต่อมา คือเห็นสมบัติและวิบัตินี้คําว่าเห็นแล้วได้แก่แลเห็นแล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทําให้กระจ่างแล้วทําให้แจ่มแจ้งแล้วรวมความว่าเห็นสมบัติและวิบัตินี้แล้วว่าด้วยสิกขาสามคำว่าพึงศึกษาได้แก่สิกขาสามคือหนึ่งอธิศีและสิกขา 2. อ, อธิจิตตสิกขาสาอธิปัญญาสิกขาอธิศีลและสิกขาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิในนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาิโมกสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู่เพอศีลขันเล็กศีลขันใหญ่ศีลเป็นที่พึ่งเป็นเบื้องต้น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 เพราะวิตกวิจาร์สงบระ ง, งับไปแล้วบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปีติและสุขที่เกิดจากสมาธิอยู่บรรลุตติยฌานบรรลุจตุทะฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์พระอุเบกขาอยู่นี้ชื่อว่าอธิจิตตสิกขา อธิปัญญาศิกขาเป็นอย่างไรคือพิกษุในธรรมวิในนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันประเสริฐอย่างถึงความเกิดและความดับเพิกถอนกิเลสให้บรรลุถึงความสิ้นทุกขโดยชอบเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์เธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขสมุทัยเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขอนิโรธเธอรู้ตามความเป็นจริงว่า นีทุกขนิโรธคาไม่มีปฏิปทาเธอรู้ตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้อาสวะเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้อาสวะสมุทัยเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้อาสวะนิโรธเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้อาสวะนิโรธคาไม่มีปฏิปทานี้ชื่อว่าอธิปัญญาสิกขาคำว่าเมถุนธรรมอธิบายว่า ธรรมเนียมของอสสบุรุษชื่อว่าเมถุนธรรมเพราะเหตุนั้นจึงตรัสเรียกว่าเมถุนธรรมคำว่าภิกษุเห็นสมบัติและวิบัตินี้แล้วพึงศึกษาเพื่อละเมถุนธรรมอธิบายว่าภิกษุพึงศึกษาอธิศิลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเพื่อละคือเพื่อสงบสลัดทิ้งระ ง, งับเมทุนธรรม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 พึึงศกษเพื่อพึงประพฤติเอื้อเฟื้อประพฤติเอื้อเฟื้อโดยชอบสมาทานประพฤติรวมความว่าพิกษุเห็นสมบัติและวิบัตินี้แล้วพึงศึกษาเพื่อละเมถุนธรรมด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ายศและเกียรติในเบื้องต้นของพิกษุนั้นเสื่อมไปพิกษุเห็นสมบัติและวิบัตินี้แล้วพึงศึกษาเพื่อละเมถุนธรรม สาพระผู้มีประภาคตรัสว่าพิสษุนั้นถูกความดำริครอบงำย่อมซบเ้าเหมือนคนกำพร้าครั้นได้ยินคำตำหนิของคนอื่นแล้วย่อมเป็นผู้เกอ้อเขินเป็นผู้เช่นนั้นว่าด้วยข้อเสียของพิสุคำว่าพิสษุนั้นถูกความดำริครอบงำย่อมซบเ้าเหมือนคนกำพร้าอธิบายว่า พิสูจนั้นถูกความด âm ฤในกลามความด â ริในพยาบาทความด â ริในความเบียดเบียนกันความด â ริตามทิฐิประทบครอบงำคือกลุ่มรุมประกอบตกแต่งย่อมซบเซาคือหงอยเหงาเสื่องซึมซึมเศร้าเหมือนคนกำพร้าคนโง่คนลุ่มหลงนกคู่จ้องจับหนูอยู่ที่กิ่งไม้ย่อมซบเซาหงอยเหงาเสื่องซึม ซึมเศร้าฉันใดสุนัขจิ้งจอกคอยจ้องจับปลาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำย่อมซบเศร้าหงอยเหงาเซื่องซึมซึมเศร้าฉันใดแมวคอยจ้องจับหนูอยู่ตามรอยต่อที่ท่อน้ำและที่ฝั่งน้ำมีเปลือกตมย่อมซบเศร้าหงอยเหงาเซื่องซึมซึมเศร้าฉันใดลาหลังเป็นแผลย่อมซบเศร้าหงอยเหงาเซื่องซึมซึมเศร้า อยู่ตามรอยต่อที่ท่อน้ำและที่ฝั่งมีเปลือกตมชั้นใดภิกษุนั้นกอฉันนั้นเหมือนกันเมื่อสึกแล้วถูกความดํ่งิในกลามความดํ่งิในพยาบาทความดํ่งิในความเบียดเบียนกันความดํ่งิตามทิฏฐิกระทบครอบงำคือกลุ่มรุ่มประกอบตกแต่งย่อมซบเซาคือหงอยเหงาเสื่อง ซ, มซึมซึมเศร้าเหมือนคนกคนําพราคนโง่ คนลุ่มหลงรวมความว่าพิกษุนั้นถูกความดําริครอบงำย่อมซบเซาเหมือนคนกำพร้าคำว่าของคนอื่นในคำว่าครั้นได้ยินเสียงตาหนิของคนอื่นแล้วย่อมเป็นผู้เกอ้อเขินเป็นผู้เช่นนั้นอธิบายว่าอุปชาอาจารย์ผู้ร่วมอุปชาผู้ร่วมอาจารย์มิตรเพื่อนเห็นเพื่อนคบ หรืสหายตำหนิว่าผู้มีอายุไม่ใช่ลาภของท่านเลยท่านเอาดีได้ยากที่ได้ศาสดาสูงส่งเห็นปานนี้บวชในธรรมวินัยที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้ได้หมู่คณะที่ประเสริฐอย่างนี้เพราะเหตุแห่งเมทุนธรรมอันเลวก็บอกลาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิกขากลับมาเป็นครหัสท่านไม่มีศรัทธาในกุศลธรรม ไม่มีหิริในกุศลธรรมไม่มีโอตปะในกุศลธรรมไม่มีวิริยะในกุศลธรรมไม่มีสติในกุศลธรรมไม่มีปัญญาในกุศลธรรมเธอครั้นได้ยินคือได้ฟังสำเนียกพิจารณากำหนดซึ่งคำคือคำที่เป็นแนวทางเทศนาคำสั่งสอนคำพร่ำสอนของคนเหล่านั้นแล้วย่อมเป็นผู้เกอ้อเขินคือขวยเขินอึดอัด กระดากใจเสียใจคําว่าเป็นผู้เช่นนั้นได้แก่ภิกษุนั้นเมื่อสึกแล้วเป็นผู้เช่นนั้นเพื่อเป็นผู้อย่างนั้นผู้ดํารงอย่างนั้นผู้เป็นประการนั้นผู้มีส่วนอย่างนั้นรวมความว่าครั้นได้ยินคำตําหนิของคนอื่นแล้วย่อมเป็นผู้เกอรอเขินเป็นผู้เช่นนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า ที่สุนั้นถูกความดมฤริครอบงำย่อมซบเซาเหมือนคนกําพระครั้นได้ยินคำตำหนิของคนอื่นแล้วย่อมเป็นผู้เกอ้อเขินเป็นผู้เช่นนั้น